วันนี้ตรงกับวันที่22กระกฎาคม2526เริ่มทําการตอบจดหมายทางเสียงเพราะว่าทางหนังสือทำไม่ไหวร่างกายมันป่วยมาหลายปีแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งจดหมายนี่อ่านไม่ได้มาสามปีเต่ว่ามาตอนนี้พอจะอ่านหนังสือได้บ้างแล้วก็เริ่มตอบจดหมาย แต่การตอบจดหมายได้เสียงการบันทึกเสียงนี่บรรดาลูกหลานที่รักโปรดทราบว่ามันแสนจะลําเค็นเหลือเกินมันหนักกว่าการเขียนอีกทีนี้การพิมพ์การเขียนแรงก็ไม่ไหวก็เลยต้องใช้จากจากเสียงไอเ้เจ้าเครื่องบันทึกนี่มันก็ไม่แน่นอนนักดีไม่ดีมันก็เกเลเ ก, ลเกลตุงและรายการที่สอง สำหรับจดหมายที่เขียนมาเนี่ยถ้าจะถามอะไรแล้วก็โปรดเขียนให้อ่านง่ายๆหน่อยนะตัวหนังสือไม่สวยนะ่ไม่เป็นไรแต่ข้อความจะให้ปวดหัวมากนะักบางทีท่านถามย้อนไปย้อนมาจะปวดหัวอ่านไม่ไหวไปเลย เ, เกิดจะเป็นโรคสังคมศาสตร์เพราะอ่านจดหมายมาหลายวาระแล้วกรุณาเขียนมาง่ายๆหน่อยอันนี้เป็นคำถามของอลูกบอระิพ็ บรรุรุุณนะคือว่าวรรพินบุรกุลนี่เธอบอกว่าอยู่บ ร, ริษัทโปรเกรสอินอะไรอินเวสเมนต์แล้วกว็แอนคอรซันเป็นจำกัดอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่เคยรู้เรื่องนะแล้วก็ไอ้ตัวเหลืองเองนี่อ่านไปอย่างไงวัตหนึ่งหนึ่ อาคารในรมลชั้นสองถนนพระหลนอยู่ถึงกรุงเทพปหานนครโดยความจริงไอ้พิมพจะมาเพศที่อ่านไม่เคยออกนะี่จะพิมพ์มาทําเกลืออะไรกันนะนี่ไม่ใช่รูสาว่าเขียนมามันเป็นแบบฟอร์มที่เขาเขียนมานะของบริษัทก็ปรากฏว่าแมมเอาสะอ่านไม่เคออกเลย <c oughs> ไม่เคยเห็นไอ้ตาคนแก่อยู่แล้วจดหมายของเธอลงวันที่7กรกฎาคม2526 ใจความว่าอย่างนี้ <c oughs> นมัเซกการหลวงพ่อที่นับถือนี่ฉันมีปัญหาที่อยากจะถามกลาาเปลียนถามหลวงพ่อดังนี้เจ้าค่ะหนึ่งทำไมถึงต้องอะไรละ่ะนมัตเซกการถวายข้าวพระพุทธรูปด้วยเจ้าค่ะถวายเพื่ออะไรในเมื่อพระองค์ไม่ต้องการแล้ว เออดีมากดีมากลูกสาวฉันคิดดีมากแต่ว่าดีน้อยไปหน่อยสองสา ม, มีนับถือาศาสนาคริสต์โรมันาคา톨ิกในบ้านจะตั้งจะตั้งฮิงพระได้ยังไงจะตั้งทั้ ง, งสองศาสนาเลยได้ไหมเจ้าค่ะคนหนึ่งก็ไหว้พระพุทธอีกคนหนึ่งไหว้พระเยซูหลวงพ่อกรุณาแนะนําด้วยเจ้าข่ะ สามเป็นไปได้ไหมเจ้าข้าที่ว่าพระแม่มาเรีย์ในศาสนาคริสต์ขึ้นสวรรค์จริงๆทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่ตายหลวงพ่อคะการที่เราไม่มีเวลาใส่บาตรในตอนเช้าเราฝากเพื่อนดีเข้าใส่บาตรตอนเช้าโดยฝากเงินเขาให้ไปซื้อของเองและใส่บาตรเพื่อเราด้วย จะมีอาน้สง์เหมือนกับที่เราใส่เองนะเปล่าเจ้าค่ะก็สี่หลวงพ่อคะทำไมที่วัดโสธรเขาไปบนข้ออะไรไว้ทำสำเร็จแล้วเขาจะต้องแต่บนด้วยการนำละครไปเล่นให้หลวงพ่อดูทำไมเจ้าค่ะท่านเป็นพระทำไมดูละครด้วยจริงๆแล้วเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ แล้วก็ต่อในคำสอนศาสนาคริสต์เขาบอกว่าคนที่นับถือพระเยซูพอตายไปแล้วจะได้ไปอยู่กับพระของเขาของเขาไม่ไม่มีการสอนว่ามนุษย์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดจริงไหมเจ้าค่ะทำไมพระองค์ก็สอน พ, พวกมนุษย์ว่าพระเจ้าคือผู้สร้างโลกขึ้นมาเจ้าค่ะ กราบขอบยกุลหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อคุณาตอบลงในธรรมีโมกโดยเจ้าค่ะเ <c oughs> น่อันนี้ให้ตอบลงธรรมีโมกเอาละ่ะตอนนี้ก็หลอกวิโมกวิเมกประเภทที่เรียกว่าทำเสียงประเภทเสียงไปเลยนะแล้วก็อย่าตอบให้แล้วก็อย่าส่งหนังสือนี้ทำให้ให้ธรรมีโมกเขา ขอตอบตามนี้นะลูกสาวที่รักออาชีรักจะห า, าเป็นคู่รักไม่ได้นะนี่พ่อรักลกูกไม่เลยเออเขาเขาแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วไม่แต่งงานก็ไม่เป็นไรเมื่อว่านหลวงพ่อเวลานี้หมดโอกาสที่จะแต่งงานกับชาวบ้านชาวเมืองแล้วไม่ใช่เป็นพระหลานไม่ใช่เป็นพระอนาคามีนะไม่แก่ไม่ไหวเรื่องเรื่องมันหยุดความรู้สึกในเรื่องการแต่งงานมาตั้งแต่อายุยี่สิบห้าปีทั้งนี้ไม่ใช่หมายที่มันลุ้มรผล คือว่าจิตมันไม่สู้คนเฉยๆขอตอบตามนี้นะว่าข้อหนึ่งทำไมถึงต้องมีการถวายข้าวพระพุทธรูปด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ถวายเพื่ออะไรในเมื่อพระองค์ไม่ต้องการแล้วอีตอนนี้ที่หลูกรักเลยถ้าพระองค์ไม่ต้องการมากเพียงใดเราก็ถวายมากเพียงนั้นมันได้บุญมาก การที่แดกถวายข้าพระพุทธรูปเนี่ยความจริงใช้สับผิดไปเขาถือว่าเป็นการบูชานะ่ะไม่ใช่ถวาย <c oughs> พระพุทธรูปนะถวายท่านอย่างไรท่านก็ถวายท่านหรือไม่ถวายสังเกต ด, ดูหน้าท่านเวลาเขาปั้นยิ้มยิ้มท่านก็ยิมย้มตลอดให้ข้าวฉันท่านก็ยิม้มให้น้นําฉันท่านก็ยิม้มเอาดอกไม้บูชาเอาธูปเทียนไฟไปบูชาท่านก็ยิม้ม ตอนนี้เราไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำํำท่านก็ยิ้มไม่บูชาท่านก็ยิ้มเป็นปกติพระพุทธรูปท่านยิ้มตลอดเวลารวมความว่าการถาวายข้าวเราพุทธรูปในความจริงก็ถือว่าเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้ากันนี่ชาว บ, บ้านใช้สับปีไปเองที่นําข้าวปลาหันนําดอกไม้ทุกเทียนเข้าไปเป็นเครื่องส ก, การะถาวายท่าน นี่เป็นเรื่องจิตใจของเราเราถือวันหนึ่งก่อนจะกินนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนบูชาความดีของพระองค์สองก่อนจะทำงานนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนสามก่อนจะไปไหนนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนสี่ก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนห้าตื่นใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน การนึกถึงพระพุทธเจ้านี่เขาให้นึกถึงแบบนี้คือว่าอย่าไปนึกถึงเฉยๆการที่เราต้อดอกไม้ทูบเทียนหลือเครื่องอาหารการบริโภคปฏิวายท่านนะ่เป็นการเตือนใจของเราว่าเวลานี้เราเคยเอาอาหารไปบูชาความดีของพระพุทธเจา้าเวลานี้เราเคยดอกไม้ทูบเทียนไปบูชาความดีของพระพุทธเจา้าเป็นการเตือนใจเรา แต่ความจริงถ้าเรามีจิตมั่นคงจริงๆในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นมีการยอมรับนับถือท่านโดยตรงถึงแม้ว่าเราจะไม่นําข้าวนําดอกไม้ทุเทียนไปให้ก็ไม่เป็นไรให้ตาจิตใจตั้งไว้ปงติที่เรียกว่าเป็นฌานฉะนั้นขอตอบสั้นๆความจริงไม่สั้นอ่ะมันดันยาวมาซะแล้วที หรือว่าขอตอบสันส้นๆว่าการที่นำเอาเข้าวเอาน้ำเข้าไปถวายท่านเป็นการบูชาคุณความดีของท่านตอนนี้ท่านลูกจะมาถามว่าความดีของพรธเจ้าบูชากันยังไงคำว่าบูชานในลูกรักเขาแปลว่าเป็นการยอมรับนับถือนะบูชานี่ยไม่ได้แปลว่าจุดธูปจุดเทียนบูชานี่ครับแปลว่ายอมรับนับถือ หรือการยอมรับนับถือนับถื อ, อยังไงยอมรับแบบไหนรียกว่ายอมรับก็หมายความพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยสรุปแล้วพาสรุปสั้นที่สุดลูกจะหนักใจที่สรุปสั้นที่สุดนี่เรียกว่า ป, ปมาเดนะสัมบาเดาถะซึ่แปลเป็นใจความว่าท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม นันหมายความไม่ประมาทในการละความชั่วประพฤติความดีตามโอวาทปาดิโมกโดยย่อมีว่าหนึ่งสรรพปาปชะาการนังขอทุกคนจงละความชั่วทุกอย่างคือไม่ทำความชั่วไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วหมดสองกุสลสุภาสมัทาจงทำแต่ความดี สามสจิตตปรโยธปัญนนังทำจิตใจข่องใสจากกิเลสแล้วก็ลงท้ายไว้เอตังพุทธานศสาสนังพระองค์ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างนี้เหมือนกันหมดอันนี้ขอลูกรัก เ, เข้าใจว่าการที่เราเข้าไปนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีข้าวไม่มีน้ำไม่มีทูปไม่มีเทียนไม่มีดอกไม้ใจมันจะไม่นึกถึง ในการที่เราคิดว่าจะถวายข้าวพระความจริงเป็นบูชาพระนะจิตมันก็นึกว่าวันนี้เราเอาของไปถวายท่านแล้วข้าวน้ําทูบเทียนบูชาถวายแล้ววันพรุ่งนี้เราจะใช้อะไรจะใช้ดอกไม้ประเภทไหนจะใช้ทูบใช้เทียนเวลาประเภทไหนจะใช้อาหารอะไรบ้างที่จะถวายท่านใจมันก็นึกถึง คือจิตที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกตินี่เขาเรียกพุทธ า, านุสติกรรมฐานเจนั่งหลับตาภาวนาแล้วไม่หลับตาภาวนาเนี่ยไม่สําคัญสําคัญแต่เพียงว่าใจนึกถึงไหม <c oughs> นถ้าใจนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงตัวอย่างเช่นมัตตากุนตลีเทพบุตรท่านไม่เคยทําความดีอย่างเรา พ่อแม่ไม่นับถือพระพุทธศาสนานหะมวยค่ายม่สมบายก็นึกถึงคุณพระรัตนไตรยมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นนิดเดียวตายแล้วไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกในเมื่อเป็นเทวดาพบพระพุทธเจ้าอีกครั้งเดียวฟังเทศจบเป็นพระโสดาบันะอีกท่านหนึ่งคือท่านสุปฏิกิตาเทพประมคนนี้ชั่วมากในสมัยที่เป็นคนในชั่วแสนชั่ว เวลาจะตายขื้นจริงๆทุกขเวทนาเป็นครอบงำหนักก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าขอให้ท่านช่วยบรรเทาทุกขเวทนาแต่ความจริงพระพุทธเจ้ามาดีมายก็นึกถึงเขาคนเดียวแต่พอตายไปแล้วอาศัยที่จิตใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไปเกิดไปทวันาบนสวรรค์ชั้นดาวดิงสติวันโลกหลังจากนั้นได้ฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งเดียวท่านเป็นประโสดาบัน ได้เห็นไหมไ้มการบูชาพระพุทธเจ้าได้ข้าวได้น้ําก็ดีได้ดอกไม้ทูบเทียนก็ดีเป็นเวลาทําให้จิตเรานึกถึงว่าเวลาไหนเราจะทําอะไรจะบูชาพระพุทธเจ้านี่เป็นการบูชาความดีกันนะไม่ได้บูชาให้พระพุทธเจ้ากินพระพุทธรูปเราทําไมกินแล้วไม่เป็นไรพ่อเข้าใจไหมลูก หวังว่าพ่อเข้าใจนะลูกจะเข้าใจแล้วไม่เข้าใจก็ไม่รู้แต่แล้วได้ว่าพ่อคนพูดพ่ดพอเข้าใจแน่นี่ก็ต่อไปที่พ่ออยาว่าจะตอบนิดเดียวนะมันล่อไปยาวเหยียดไอคนแกน่มันก็พูดมากอย่างนี้นั่นลูกเอยวันนี้เรามาคุยถึงห้องของลูกเลยนะลงในทำนิมโมกกอนลงแล้วก็อาจจะเล่เสียงนี่มันเข้าถึงห้องของลูกเพราะว่ามันจะดีกว่านะ สองสามีถือศา ส, สนาคริสต์โรมาคาลิกภายในบ้านจะตั้งหิเงพระได้อย่างไรจะตั้งสองศาสนาเลยได้ั้ยเจ้าค่ะคนหนึ่งไหว้พระพุทธเจ้าอีกคนหนึ่งไหว้พระเยซูคุณพ่อกรุณนาแนะนำด้วยเจ้าค่ะเออข้อนี้หลวงพ่อต้องแนะนำไปพิเศษเปนลูกนะ ถ้าจะตั้งสองแบบแบบนั้นต้องหาฤกษ์กันเสก่อนนะรือว่าหาฤกษ์กันเสก่อนระหว่างสามีภรรยาถามว่าคุณจะตั้งอะไรก็ตั้งเรื่องศาสนาคลิกของคุณแต่ฉันจะตั้งพระพุทธดุลคุณจะว่าอะไรไหมแต่ว่าถ้าไม่เป็นที่พอใจของสามีแล้วก็จะไปตั้งคู่กันเข้า เพราะอันนี้สงที่จะได้จากการตั้งคู่ในที่สุดมันจะกลายเป็นแข่งกันเรื่องศาสนาแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดแตกร้าวกันเพราะศาสนาเป็นเหตุอันนี้ไม่ดีลูกถ้าเกิดบาดหมังก็เรศาสนาเป็นเหตุอันดับแรกอาจจะต้องแยกห้องนอนกันแล้วก็แยกวงอาหารกันแล้วก็แยกการคุยกัน สักเต็ม่เคคุยกันต่อไปเมื่ออารมณ์หนักๆเข้ามาันจะกลายเป็นแยกบ้านกันอยู่ไปนี่ขอลูกจงศักษาความสามัคคีไว้อย่าทำลายความสามัคคีพราะศาสนาถ้าสามีไม่ยอมเราก็ไม่ต้องตั้งพระพุทธรูปในบ้านพระพุทธรูปตามวัดมีเยอะหรือตามสถานที่ต่างๆมีเยอะ แ้าลูกต้องการคือมีความรักในพระพุทธรูปองค์ไหนมากเวลาจะนอนเวลาจะกินเวลาจะไปไหนจิตใจนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าถึงพระไตรปิฎกผมแน่นอนแล้วลูกเอาพระพุทธรูปไปตั้งเนี่ยมันก็ไม่แน่นักถ้าเราเหยียดหยามพระพุทธรูปแทนที่มันจะเป็นคุณก็กลายเป็นโทษไป หรือเอาพระพุทธรูปไปตั้งคู่กับศาสนาพระเยซูจะกลายไปให้เรื่องศาสนาทำลายสามาคัคคีอันนี้ไม่ดีเลยลูก <c oughs> อย่าลืมว่าการเจริญพุทธานุสติกรมฐานคือใจนึกถึงพระพุทธรูปเป็นอารมณ์ด้วยความเคารพจะมีพระพุทธรูปอยู่หรือไม่มีนะไม่สำคัญถ้ามีพระพุทธรูปอยู่แต่เราไม่นึกถึงพระพุทธรูปมันก็ไม่มีความหมาย ถ้าไม่มีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านเราชอบใจพระพุทธรูปที่ไหนเราตั้งใจนึกถึงพระ พ, ร, พระพุทธรูปองค์นั้นยังนี่มีคุณประโยชน์มากมีผลสมบูรณ์แบบถือว่าเป็นผู้ทรงฌานในพุทธานุสติกรรมฐานผลและอเนสง์จะสูงมากอันนี้ดีนะลูกนะเอาแบบนี้ดีกว่านะถ้าทางที่ดีลูกเคยเจะเดินภาวนากับเขาไหมล่ะ เคยจะเดินกันมาฐานก็บเขาไหมแต่เชิญจะเดินกันมาฐานจะจับพระพุทธรูปที่เราเห็นก็แล้วกันนะเราเห็นพระพุทธรูปในลักษณะไหนพระพุทธเจ้าในศาสนไหนเอาจิตใจไปจับในศาสณานั้นอย่างนี้ของเราก็ของเราของสามีก็ของสา ม, ม, สา ม, ม, สา ม, มีและภายนเน่าอย่าเหยียดย้มกันอย่าดูถูกดูหมิน่นศาสนาของกันและกันคนทุกคนถ้ายังมีการยอมรับนับถืออยู่ถือว่าคนนั้นเป็นคนดี <c oughs> อาไปใจายานกรรมกรรมคือการอ่อนน้อมเป็นความดีก็แต่ละบคุคคลสามีของหนูก็ดีในลูกเธอถือศาสนาคิ่ต้องถือว่าเป็นคนที่มีความดีหนูลูกลูกนักถือศาสนาพูดลูกก็เป็นความเป็นคนดีในเมื่อดีต่อดีมาประสานกันระวังให้ดีมันพังก็แล้วกันเรื่องศาสนาต่อไปก็เป็นข้อสาม ลูกถามมาว่าเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะที่ว่าพระแม่มาเรียในศาสนาคิดขึ้นสวรรค์จริงๆทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่ตายลวงพ่อคะการที่เราไม่มีเวลาใส่บาตรเออเดี๋ยวก่อนเอาตอนนี้ก่อนนะลูกนะ เรื่องพระแม่มาเรียที่ไปศาสนาในศาสนาคิดไปสวรรค์จริงๆคือไปทั้งเป็นที่ยังไม่ตายแต่ความจริงหลวงพ่อไม่ได้ทราบเรื่องของท่านเลยนะแต่ว่าในเรื่องพระศาสนาของเรานี่คนที่จะไปอยู่สวรรค์ทั้งๆ ท, ง ท, งที่ยังไม่ตายนี่ก็ไปโชคคราวได้ถ้าไปตลอดกาลยมันไม่ได้เ <c oughs> พราะร่างกายมันพัง ร่างกายของเรานี่มีเชื้อธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่ต้องเพิ่มเติมอยู่เสมอหากว่าจะไปอยู่สวรรค์ทั้งเป็นเป็นนี่คงจะอยู่ไม่นานร่างกายมันจะพังยันคนที่ไปสวรรค์ได้เท่าที่ทราบเป็นๆและไปแล้วกลับอย่างกับสมัยพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระเจ้าเนี่ยสมัยประชาชาติพูดข้อกันลึกไม่ออกนะ ที่เป็นพระเจ้าในมีราเธอรไหมทราบไอันนี้ท่านก็ไปสวรรค์ทั้งเป็นแต่ไปชัวคราวและในสมัยที่ทรงชีวิตอยู่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีตั้งแต่พิญญาขึ้นไปหรือว่าท่านที่ทรงฌานโลกี ที่ได้ปัญญาขึ้นไปถึงไม่สมิทายานี่เข้าไปสวปรรค์ไปกันได้หรกไปสวรรค์ไปพรมไปแดนต่างๆที่ไหนก็ได้ไปทั้งเป็นเป็นถ้าไปแล้วก็กลับถ้าไปอยู่เลยนี่หลวงพ่อก็ไม่กล้าจากพยากรณ์เรื่องศาสนาคิดเพราะเรื่องความสามารถของท่านที่เรายังไม่ศึกษาเนีนก็ท่านไม่เข้าใจจริงก็ไม่กลา้าพูดเหมือนกันนะเป็นอันว่าของท่านกับของท่านของเราก็ของเร า, อ, เร า, อ, เราอย่าปนนามกันและอย่าไปติกันว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้ไม่สมควร ตอนี้ข้อต่อไปลูกถามว่าหลวงพ่อคะการที่เราไม่มีเวลาใส่บาตรในตอนเช้าๆ้าเราจะฝากเพื่อนที่เขาใส่บาตรตอนเช้าโดยฝากเงินเข้าไปให้ซื้อของเองและก็ใส่บาตรเผื่อให้เราด้วยจะมีในสงฆ์เหมือนกับที่เราใส่เองเหมัอนเจ้าคะ่ะไอข้อนี้พ่อขอตอบว่ามีผลเท่าเสมอกันหรกอยู่ที่กําลังใจ ที่พระพุทธเจา้าทรงตัดว่าเจตนาหังพิกเวปุญังวธามิที่กล่าวว่าดูก่อนพิสุทธิ์ันหลายการตั้งใจเป็นตัวบุญและลูกเองเนีเสียสละทรัพย์สินไปแล้วตั้งใจทำบุญกับพระสงฆ์เคราะหพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาให้เพื่อนไปใส่บาตรอันนี้ใช้ได้ แต่ก็มีทางอีกทางหนึ่งสมมติว่าลูกไม่มีโอกาสหรือมันลำบากในการฝากเพื่อเขาไปซื้อของต่ตลาดแล้วก็ใส่บาตรแทนถ้าลูกจะทำเองที่บ้านก็ได้เอากระปุกหรือกระป๋องหรือว่าบาตร ท, ทาบุญเข้ามาไว้ไว้ที่บ้านถึงเวลาจะเป็นเวลาไหนก็ได้แต่ใจสบายตอนเช้าตอนกลางวันมันไม่ว่างใช้วเวลากลางคืนก็ได้ ตั้งใจเอาสตังใส่กระปุกกระป๋องหรือว่าบาทที่เขาทาบุญลงไปยี่สิบห้าสตังหรือห้าสิบสตังหรือหนึ่งบาทหรือหลายบาทก็ตามแต่ศรัทธาตามแต่จะมีตั้งใจว่าปัจจัยคือเงินทั้งหมดนี้ที่เราใส่ไปต้องการให้เป็นพัฒตาหารถาวายพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา หรือว่าจะทําก็การตั้งใจถวายประสงค์การใส่บาตรให้ลูกหักเป็นสังฆทานแล้วก็สังฆทานนี่ก็เมียนิสงส์สูงแล้วสิ่งที่เมียนิสงส์สูงไปกว่าสังฆทานตามที่พระพุทธเจ้าท่าตรัสท่านบอกกูว่าการถวายสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้ง แต่เราจะตั้งใจทั้งสองอย่างก่อได้ว่าปัจจัยส่วนนี้ทั้งหมดเราขอถวายเป็นค่าพระตาหารพระและการก่อสร้างที่อยู่ในเขตพระสงค์ในพระพุทธศาสนาถ้าตั้งใจอย่างนี้ลูกจะได้ทั้งอานิสงส์ทั้งวิสังขทานและวิหารทานผลจะใหญ่มากทำอย่างนี้ก็ได้นะ หรือว่าจะฝากเพื่อนก็ไปตามปกติก็ได้ก็ได้ทั้งสองอย่างอันนี้สงเท่ากันโลกไม่จําเป็นคือไม่ลดไม่หย่อนลงถ้าไปเจอะพระท่านเทศท่านบอกว่าการอบคนที่เป็นเจ้าของทานทำอาหารเสร็จให้คนใช้ไปใส่บาตรในคนใช้คนใส่บาตรเป็นที่สงมากกว่าอันนี้อย่าเชื่อท่านนะหลวงพ่อสมัยเป็นนักเทศคดีอดินพรเทศกันแบบนี้ก็เคยข่านท่านมาบอกมันไม่ถูก ตัวอย่างเช่นสาธ ก, กีเทพธิดานี่เขายังไม่ทันจะไปถึงอา น, นิสงค์เขาได้สมบูรณ์แบบที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอ น, นิสง์มันเกิดตั้งแต่การตั้งใจตัดสินใจจริงอันนี้พวกจะว่าจะตอบก็บสิบนาทีลูกไม่เจอยสามสิบนาทีและอีกข้อคุณจะล้มขอนหรือว่าใครล้มถ้าปัญหาไม่ล้มก็เวลาล้มทีนี้มาข้อสี่ ลูกถามว่าหลวงพ่อคะทำไมที่วัดโสธรเขาไปบนอะไรกันเมื่อทำสาเร็จแล้วเขาก็จะต้องแก้บนด้วยการ น, นำละครไปเล่นให้ให้หลวงพ่อดูทำไมคะท่านเป็นพระทำไมดูละครด้วยจริงๆแล้วเป็นยังไงพ่อเคยบอกลูกมันตะตั้งตอข้อตุวนว่าพระพุทธ ร, รูปน่ะ เอาอะไรไปเล่นให้ท่านดูท่านก็ดูไม่เล่นท่านก็ดูเพราะเขปั้นท่านลืมตายอยู่แล้ววิธีการที่เขาไปบนบานแสงกล่าวด้วยความนิยมเขานึกว่าท่านชอบละครแต่ความจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ติดอะไรเลยนะลูกนะไม่ติดคนไม่ติดดีลาของคนไม่ติดวัตถุไม่ติดอากาไม่ติไม่ติดลักษณะของวัตถุ ไม่ติดสัตติริชานไม่ไม่ติดนิลาของสัตติรชานลงถือว่าทุกอย่างเปลีอนนี่จังคือมันไม่เที่ยงถ้าติดแล้วทุกขังเป็นทุกอนัตตาคนนิสุดทั้งคนติดและค น, สนแสดงตายหมดไม่มีความหมายไม่มีอะไรเหลือนี่การที่เขาไปสแสดงอย่างนั้นน่ะเขาเคยเขาได้ผลแล้วเขาก็คิดว่าเมื่อท่านชอบก็ไปถวายถวายท่าน มันเป็นเรื่องเองความพอใจเรื่องความเลื่อมใสของคนก่อนเก่าที่ทำมาอันนี้ก็จงอยาตามิกันนะถือว่าถ้าเขาบนอย่างนั้นและก็บางเอืญผลมันได้ตามที่เขาต้องการเขาก็ต้องแก้บนเป็นการรักษาสัจจะความจริงการรักษาสัจจะอย่างนี้ดีด้วยกันทั้งสองข่ายคือผู้บนถ้าบนได้การยอมรับนับถือพระพุทธ พ, พุทธโสธรคือพระพุทธเจ้า เป็นพุท ธ, ธานุสติถึงแม้ว่าจิตจะเกาะต่ำไปนิดบนเพื่อต้องการผลที่จะได้ตามความปัาฐนาแต่อย่าลืมว่าใจเขานึกถึงพระพุทธเจ้าดูตัวอย่างท่านสุปฏิทิตะเทพบุตรท่านเป็นคนเลวแสนเลวเวลาที่ท่านจะตายถ้าไม่ได้มีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงเมื่อทุกขเวทนามาครอบงำหนัก ท่านนึกว่าขอพระพุทธเจ้ามาช่วยบรรเทาทุกขเวทนาของท่านเพียงเท่านี้ลูกท่านตายแล้วไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกเมื่อพบพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งฟังเทศจบเดียวท่านเป็นระโสดาบันเป็นอันว่าบาปทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผลกับท่านดังนัท่านก็เลยไม่ต้องไปอาบายผูเถ้าบาปประคุณ จึ้นคนนี้เขาไปบนพระพุทธรูปที่วัดโสธรได้เจตนาเขามุ่งหวังอะไรก็ตามแต่ใจเขามีความเคารพในพระพุทธรูปที่วัดโสธรพ่อถือว่าเขาเข้าถึงพุทธานุสติกรรมฐานอย่างอ่ อ, อ, อนแต่ถึงแม้วจะอ่อนก็ยังเข้มแข็งดีกว่าสุปฏิทิตาเทพบุตรก็อังโกลรลัทธบุตรมากขอโทษสุปฏินิตา ดีกว่าสุปฏิติดตะเทพบุตกับมัตตกุณดลีเทพบุตรมากเพราะเขายังมีความเขาได้ความจริงใจถ้าคนประเภทนี้ถ้าเวลาป่ว ย, ยไข้มาสบายใจถ้าเขานึกถึงพระพุทธรูปไว้ดโสธรดีไม่ดีนะสวรรค์ชั้นดาวดึงเขาได้แน่นอนลูกใหญ่ตะมนิกันนะลูกนะอันนี้เป็นเรื่องของเขาแล้วต่อท้ายอะไรอีกมันมืีหรือเวิไลสองนาทีแล้วก็เดี๋ยวตะก่อน ในคําสอนเขาศาสนาคิดเขาบอกว่าคนที่นับถือพระเยซูตอนตายแล้วจะไปจะได้ไปอยู่กับพระของเขาอันนี้หลวงพ่อไม่ทราบนะเพราะศาสาศนาที่หลวงพ่อไม่ไม่ได้เข้าใจ <c oughs> ให้มาความหมายว่าตายแล้วไปอยู่แล้วไม่ไปอยู่เนี่ยเราก็ไม่เถียงกันดีกว่านะอย่าให้ไปเครื่องเถียงกัน อันนี้ศาสนาของเขาไม่มีการอะไรเนี่ยไม่มีการสอนว่ามนุษย์ต้องเวียนไหวตายเกิดเขาอาจจะสอนอย่างนั้นจ ร, จริงก็ได้นะแต่ว่ามันไม่แน่ลูกถ้าไม่หมดกิเลสยังไงไงก็ต้องเวียนไหวตายเกิดอ่าตอนนี้ก็าทาไมพระองค์จึงสถึงสอนว่ามนุษย์พวกมนุษย์ ว่าพระเจ้าคือผู้สร้างโลกไหมคะอ๋ออันนี้อันนี้พ่อก็ไม่ไหวจะไม่เข้าใจเหมือนกันที่สอนว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกไอ้พี่พ่อก็เกิดไม่ทันนะลูกนะไอ้เรื่องเกิดไม่ทันในระยะค้านในยอมรับมันก็ไม่ได้นะทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าถ้าคืนไปค้านแล้ว่าคืนไม่ยอมรับกันมันก็ผิดอาจจะผิดไปกันสองเสองอย่างทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าเรารู้ไม่จริง ก็รวมความว่าเรื่องคำสอนของท่านก็เป็นเรื่องคำสอนของท่านดีกว่าถ้าจะยึดถือกันมากเกินไปจะวิจารณ์มากเกินไปมันก็จะกลายเป็นการทะเลวิวายกันระหว่างคนนำเพื่อศรราสนาทั้งสองศาสนาก็รวมความว่าพระเจ้าของท่านท่านจะสร้างโลกก็เป็นเรื่องของท่านและคนของท่านถ้าตายและจะไปอยู่กับท่านก็เป็นเรื่องของท่านท่าทางที่ดีลกหัก เอาอย่างนี้แต้ลูกจเจริญมโนยิธิเป็นได้ไหมถ้าทำให้คล่องตัวจริงๆนะแล้วลูกจะสามารถพิสูจน์คำสอน ไ, ได้ว่าคุกคนที่ศีลศาสนาคิดเวลาตายไปแล้วไปอยู่เพราะกับพระเยซูจริงหรือเปล่าแล้วก็โลกที่เกิดขึ้นมานี่พระเยซูเป็นผู้สร้างหรือว่าใครเป็นผู้สร้างอันนี้เราจะพิสูจน์ได้ ถ้าวิสูจน์ได้แล้วลูกจะพูดไปนะมันจะกลายเป็นเรื่องการทะเลาะ ก, กันเวลานี้พ่อมองดูเวลาเนี่็รีบพูดที่กับแย่ปัญหากองลูกดีมากเขียนหนังสือก็ดีไอตัวหนังสือนี่จะสวยหรือไม่สวยเนี่ยพ่อไม่ถือเป็นสาระคอยอ่านง่ายก็แล้วกันแต่ว่าตัวหนังสือของลูกเี่มองแล้วนะมองแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวหนังสือที่เรียบ เป็นคนที่ห่างจากวงการกิเลสออกมามากแล้วหรือว่าบางก็และอย่างกิเลสมันเริ่มบางๆลงไปเต็มทีแล้วแต่ว่าไอ้ตัวสงสัยตัดทิ้งไปนะนี่มาเวลาเข้าไปจบสามสิบนาทีพอดีชั้นชันตัดหมายฉบับนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พุ่นผลจงมีแด่นลูกวรพินมรกุลของพ่อและทุกคนที่รับฟังสวัสดี